ก็เป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งไม่ได้พร้อมเหมือนคนอื่นเขาไม่เคยหวังจะให้ใครเขามารักกันไม่เคยคิดจะได้รู้จักเธอที่เหมือนเดินมาจากฝันคือคนนั้นที่ทำให้ฉันรู้สึกก็พอแล้วไม่ต้องการจะขอเธอมากขนาน ใครคนนั้นให้ฉันได้มีเธออย่างที่ฉันมี จะเพราะเป็นความบังเอิญอาจเป็นฟ้าที่มาคิดไว้รู้เพียงฉันดีใจที่ได้พบเจอกบพอแล้วไม่ต้องการจะขอเจอ แค่ได้มองหน้าแค่ได้ ให้ได้า